พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านานคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่ายอมรับได้ทั้งมนุษย์และเทวดาวันนี้เป็นวันที่26 พฤษภาคมพุทธศักราช2559พระในวัดของเรา42ลูกนะลูกหลาน <c oughs> มีนาคสองสำเมนินไม่มีแล้วก็วันนีหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็คงจะออกไปธุระแล้วก็ตอนเย็นหลวงพ่อก็คงจะได้ไป พบกับศรัทธาญาติโยมที่อุดรเขาจัดเป็นชมรมอบรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเรื่องจิตภาวนาเขาจัดที่เจริญโฮเ็ลเย็นวันนี้เสียอ๋อว ก, กับคณะนะ่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ว่าดี ทางโลกเขาก็จัดคอนเสิร์ตไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแต่เรื่องพุทธศาสนาของเราเรื่องอบรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกระดับก็ควรจะมีบ้างเพราะว่าพวกเราถ้าห่างเหินศีลธรรมไปเรื่อยๆมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ความร้อนระอุ ขึ้นในชุมชนของเราเพราะต่างคนก็ต่างอยากจะได้อย่างใจตนเองเพอไม่ได้อย่างใจตัวเองกนะก็เกิดอารมณ์โทสะจากนั้นก็ประหัดประหารกันไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าว่าพวกเราอบรมเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ ก็ต้องมีถ้ามีศริยธรรมอยู่ในจิตใจแล้วก็มีเครื่องเบรกคล้ายๆว่ารถมีเบรกถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มองผู้น้อยในลักษณะยังไงในเมื่อเป็นผู้น้อยก็มองลักษณะผู้ใหญ่เป็นยังไงถ้าทางคนต่างมองกันในแง่เหตุแง่ผลโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าถาว่าพวกเราอยู่ด้วยกัน ไม่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีแต่แข่งแย่งกันมันก็เหมือนกับสัตว์ส า, ายสิงห์ที่อยู่ในป่าดงพงไพตัวไหนใหญ่ตัวนั้นก็ชนะได้เปรียบหมู่พวกเพื่อนนี้ก็เหมือนกันพวกเราเป็นสัตว์หมู่มนุษย์ถ้าจะว่าสั ต, ตวโลกสัตตะแปลว่าผู้คล่องอยู่ในภพในชาติเทว่าสัตว์มนุษย์ พวกเราอยู่ด้วยกันก็ควรจะได้รับการอบรมสิ่งควรไม่ควรไม่มีอันไหนยิ่งดียิ่งกว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านาตรัสไว้แล้วก็พวกเราก็พิสูจน์กันมา 2,559 ปีพิสูจน์กันมาเป็นลำดับลาดับจนถึงพวกเรามาถึงพวกเราพวกเราก็พิสูจน์กันอีกคิดกันอีก ไตรตรองกันอีกหาแง่เหตุผลหกักล้างอีกก็ยังยอมรับว่าทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเหตุผลจริงๆถ้าหาว่าผู้ใดปฏิบัติตามหลักธรรมคำส อ, สอนของพุทธะแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกร่มเย็นอยู่ด้วยกันเพราะเหตุใดเพราะว่าทำคาสอนของพุทธะตัวของท่านเองตัวพระพุทธะเองก็เป็นผู้บริสุทธ หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะคำว่าเอนเอียงไปไปทางได้ทางหนึ่งไม่มีเป็นชื่อตรงคือว่าหลักเหตุผลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ถ้าพูดคำไหนตรัสออกไปแล้วมันจะเสียหายนะก็เสียหายจริงๆถ้าจะได้คุณประโยชน์นะก็ประโยชน์จริงๆเพราะนั้นพวกเรา ควรจะศึกษาแต่พวกเราเท่านนั้นเองเน่ยพวกเราทุกทุท่านไม่ว่าปู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่อยู่ไม่ว่าอยู่ในระดับไหนไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทําความชั่วช้าเสียหายเร็วสามก็มีมากต่อมากไม่ว่าอยู่ในระดับข้าราชการทุกขันทั้งแท้ผู้ถือกฎหมายแต่แท้ทำความชั่วก็ยังมีอีกเพราะเหตุหลายเพราะ กิเลสภายในใจของพวกเราตัวกิเลสราคะโทสะโลภโกรตโลภโกรธลงตัวนี้นะเข้าอยู่ในจิตใจของมวลมนุษย์ชาติพร้อมที่จะทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างสลับถ้าว่าไม่มีศีลธรรมเข้าไปประครับประครองแต่ว่าพวกเรามีศีลธรรมเข้าไปประครับประครองในจุดนั้นอันไหนควรอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้อง อันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมอันนี้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราเอาเปรียบเขามากเกินไปหรือไม่สิ่งเหล่านี้ถ้ามีคุณธรรมในจิตใจพวกเราก็จะมองเห็นได้เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาเมื่อเราอยู่ด้วยกันเมื่อเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องมองเป็นผู้น้อยเนื่องเมื่อเป็นผู้น้อยเราก็ต้องเห็นใจผู้ใหญ่เนี่ยเพราะ การอยู่ด้วยกันแต่งเป็นผู้ใหญ่ก็ทําตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของคุณลุบุตรที่เกิดใหญ่ใหม่ใหญ่ทีหลังอยากจะให้คุณลุบุตรดีลูกหลานดีก็ต้องทําดีให้ลูกหลานดูหรือคุณลุบุตรของเราดูตัวอย่างในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เดินไปในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องลูกน้องบริวาร ลูกศิษย์ลูกหาก็จะเดินตามหลังของเราก็มีแต่ไปเดินไปในทางที่ถูกต้องลูกน้องบริวารก็เหมือนกันอย่าเอาใจแต่ตัวเองก็ไม่ได้งองแงอยากจะให้แต่เจ้านายเอาใจตัวเองได้ยังไงก็ต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวินยัยบางเสียงบางอย่างเราก็ฝืนใจระบ้างเพราะเราเป็นลูกน้องแต่ถึงยังไงให้อยู่ในใจของเรา ว่าเจ้านายของเราไม่เป็นธรรมจุดนีพูดไม่เป็นธรรมทำไม่เป็นธรรมในจุดนี้แต่เอาเถอะเรายังเป็นลูกน้องท่านอยู่เราก็ต้องปฏิบัติตามตามที่คำสั่งของท่านหรือประการแนะนำของท่านแต่ในใจของเราเนี่ยเรายั ง, ย, งยังไม่ยังไม่ตายใจยังไม่สนิทใจเอาเถอะเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราจะไม่ทำอย่างนี้นะเอออันนี้ก็คือคาในใจของเราไม่ใช่ว่า พอเจ้านายพูดเข้ามาเลยครับดันหลังจนไม่ฟังเสียงใครทะเลาะวิวาทกันก็ไม่น่าจะถูกแต่เป็นเสียถ้ามันผิดจริงๆถ้ามันผิดจริงๆ อ, อื่อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าเป็นเพียงนโยบายหรือว่าการแนะนำมันผิดเพี้ยนไปบ้าง เ, เราผู้เป็นลูกน้องก็ต้องยอมรับในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะไม่ทาอย่างที่เราคิดว่าเราคิดดีแล้ว แต่โดยมากไปเป็นอย่างนั้นนะเอ่สมัยเมื่อเรีนทฤษฎีเอ่ทางทฤษฎีเนี่ยคดอย่างนั้นโกงอย่างนี้เป็นข้าราชการไม่ถูกต้องฟังอาจารย์พูดอหัวชนฝ่าเลยเอ่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยข้าจะไม่คดไม่โกงใครทั้งหมดเอ่จะเป็นผู้ซื่อตรงเอ่พอมาทํางานหน่อยหนึ่งขนาดนั้น เ, เงินขาดมือเอ่ว่าจะไม่รับแต่เขามาวางไว้ที่โต๊ะ เขาก็ยังเอาใ น, นี่ะนะเราก็เอาบ้างกับเข า, เอาพอในสุดก็เลยอิลันพันตูไปเหมือนกับเจ้านายเก่าเหมือนกับคนก่อนอุดมการที่เราตั้งไว้ในใจนะหายหมด อ, อย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคือคุณงามความดีนะอยู่ในจิตใจถึงจะทายังไงก็จะให้มันเกินไป อยู่ในกรอบถ้าว่าเกินไปมันไม่ดีถ้าเกินไปแล้วเขาจับเข้าคุกเข้าตารางอร่เนีพระมันเกินไปอันนี้ก็คือศีลถ้าจัดว่าเป็นหมวดศีลก็ใช่หมวดจริยธรรมก็ใช่คุณธรรมศีลได้ทำจริยธรรมจริยะคือความประพฤติศีลแธรรมคือกดระเบียบศีลคือกดระเบียบจริยะคือความประพฤติปฏิพัติประพฤติปฏิบัติ ต, ตนอย่างไร วิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติที่พวกเราสวดสวดอิธิปิโ ส, สแต่พวกเราไปเหอฝรั่งไอค q ว q อ q, q ิ q มนมีแต่หลายคแต่ละของพุทธศาสนาท่านพูดมาก่อนนะ5 9งพัน้้ิชปีิชา คือความรู้จรณะคือความประพฤต์วิ ช, ชาคนที่มีวิ ช, ชานะคือความรู้จรณะคือความประพฤติพนะระพุทธองค์อันนี้เป็นคําตรัสของ พ, ะอนนพะอนนระอนุนพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่พักพร อ, อยู่ใหพนนพพพพนะ้พระอา น, นนะต์แสดงธรรมต่อพระพระปยุรยาตที่กุุงกบิลพัทพระอานนตรัดกับพระปยุรยาตว่าวิ ช, ชาคือความรู้ จรณะคือความประพฤติถ้าผู้ใดมีวิ ช, ชาคือความรู้สูงความรู้มากรู้รอบรู้หมดทุกอย่างรู้กฎหมายรู้ต่างๆเป็นที่ยอมรับของมนุษย์เป็นที่ยอมรับของพวกมนุษย์แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของเทวดาคือคือผู้จิตใจสูงยังยอมรับไม่ได้ความรู้เนี่ยเพราะอาจจะเอาความรู้ของตัวเองเนี่ย ไปห้ำไปหันไปเชือ่อตไปเฉืน่นไปคดไปโกงไปเบียดไปบังไปทําอะไรออกไปเพราะความรู้ตัวเองเหนือกว่าเขาเพราะเขาไม่รู้เรารู้กว่าเราเอาไปประหรัดประหารเขาไปคดไปโกงไปเบียดเบียนเขาได้ถ้าคนมีความรู้นะแต่หากว่าคนที่มีคุณธรรมในจิตใจวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติคือคุณธรรมในจิตใจ เป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระอานุ์กล่าวสอนในพระในพระประยุรญาตคือพระญาตในกลุ่มกบินลพัดพระองค์เจเ็จประทับอยู่ในข้างในในม่านได้ยินเสียงพระอานุ์ท่านก็ฟังพระอานุ์เทศนเทศยังไงพูดยังไงลักษณะอย่างนั้นพระพุทธองค์เสด็จออกมานั่งประทับอานุ์พูดถูกต้องอานนุ์พูดถูกต้องอานุ์พูดถูกต้องอ คล้ายกับว่าวิ ช, ชาเป็นที่ยอมรับของมวลมนุษย์แต่ไม่ยอมรับสําหรับผู้จิตใจสูงแต่จรณะคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นท่านจึงว่าให้มีวิ ช, ชาด้วยกับจรณะให้ไปพร้อมกันคือวิ ช, ชาคือความรู้คุณธรรมคือทางด้านจิตใจให้เป็นผู้รอบคอบในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบริหารจัดการ ไปในทางที่ถูกต้องเป็นศีลธรรมอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราอย่าลืมลืมจุดใหญ่ก็คือเรื่องเอาความคิดของตอนเองความคิดถึงความนึกคิดตัวนี้นะอ่ะอันนั้นคือหมวดสิ่คือสํารวมกายวาจากายคือร่า ง, างกายคือการกระทําของทางร่างกายวาจาคือคําพูด ที่พูดมาทั้งหมดคือวาจายกวาจาคือคำพูดเป็นเรื่องของศีลแต่ถึงยังไงก็ตามจะเป็นเรื่องของศีลก็เถอะแต่ใจคิดออกมาซะก่อนจึงการกระทำและการพูดออกไปเมื่อคิดซะก่อนถ้าคิดชั่วมันก็ทำออกไปก็ชั่วถ้าคิดดีการกระทำก็ดีการพูดก็ดีพูดดีพูดชั่วก็เพราะออกมาจากใจแต่ถึงยังไง ท่านบอกว่าให้ดูที่ใจใเนี้หลักของพุทธศาสนาให้ดูที่ใจใจตัวนั่นแหะสำคัญถ้าว่าเราจะคิดดีแล้วคอยเราจะคิดชั่วมันออกมาจากตัวผู้รู้คือใจทั้งหมดแล้วจะจับตัวผู้รู้ได้อย่างไรจะสังเกตสังได้อย่างไรต้องมีทางเดียวคือทําสมาธิในเมื่อทําสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันอยู่กับลมคล้ายๆว่า จับไปที่ะน้อยระน้อยบางทีมันกนะ่อนนะเมื่อก่เราจะจับบัวจับควายนะทกทางอีสานว่าควายแหควายแหคือควายที่มันกลัวคนไม่ให้คนใกล้เข้าไม่ใกลมันแต่ทํำยังไงจึงจะจับมันได้เอเราก็ต้องมีสิ่งที่ล่อเข้ามาอาล่อเข้ามาจนถึงผลลัพธ์สุด เ, เราก็จับหัวจับตัวมันได้นี้ก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ย ถ้าฝึกใหม่ๆมันก็นจิตแหอย่างที่ว่านั่นนะเออมันไม่เข้ามาใกล้เราได้เพราะจับไปมนุดปดจปับปดมนุดปดเออแต่ถึงยังไงพราะพระพุทธเจ้าถนอ ว, วิธีการจับตัวผู้รู้คือใจนี่นะคือนั่งสมาธิจะเดินจะนั่งจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ได้ให้มีสติสัมปชัญญะยงดูจุดนั้นจุดที่การเคลื่อนไหวนั้นอ่า เจ้าวัเราเดินเจ ก, กิ่งกว่าดีวิ่งกวดีเราก็ให้มีสติอยู่กับการเดินของเราวิ่งช้าวิ่งเร็วใจของเราเร็วยิ่งกว่าก้าวของเราอีกต่างหากเวลาเรานั่งร่างกายของเราอยู่ในความสงบนิ่งแต่ยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าออกอที่เป็นส่วนเคลื่อนไหวที่มากที่สุดก็คือเอากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละเวลาจเราจะนอนก็เหมือนกันเวลาเรานอนถ้านอนไม่หลับนะ เราก็ตะแคงขวาแล้วก็กำหนดดูร่างกายของตนเองให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในร่างร่างกายหรือการที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะยืนก็เหมือนกันเมื่อเรายืนขึ้นมาแล้ยเรากําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่โดยมากครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านจะให้เดินจงกรมก็นั่งภาวนามีสองอริยบท ท, ท, ที่ท่านเน้นหนักนะเพราะว่าเรานั่งเราเหนื่อย เนี่ยมันมันมันเป็นเน็บหรือมันอะไรมากเกินไปเราก็ต้องลุกเดินเนี่ยการเดินเนี่ยเราก็ต้องมีสติในการเดินนีแต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติเราเดินนั่นแหะเพราะใจของเรามันเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกทำไปจะเป็นเดินช้าๆเลยเนี่มีแต่ว่าสติของเราให้ทันในการก้าวเดินขาขวาพุาทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถอ่าอันนี้คือคือกำหนดอยู่ที่ขาอยู่ที่ขาก้าวเดิน เวลาเรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้ก็คือการจับจิต จ, จับตัวผู้รู้ด้วยสมาธิในเมื่อเราจับสมาธิเราจับจิตจับใจจับตัวผู้รู้อยู่ได้นะั่นทีนี้พอเรามีสมาธิเราจะมองเห็นเราคิดดีแล้วเขาเราคิดชั่วเราคิดยังไงเราทำยังไงเราพูดยังไง เราจะมองเห็นตัวของเราอันไหนควรหยุดอันไหนควรเบรกอันไหนควรจะใช้อักับกิริยาอย่างไรเนี่แหละถ้าคนมีสติอยู่กับตนเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าโมโนปุพังคามาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจก็คืออะไรคือตัวผู้รู้นะั่นแหะที่ว่าเราจับให้เป็นสมาธินะั่นแหะ นั่นแหละอันนี้ก็คือการฝึกสมาธนะิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญต่อต่อธบริทธทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าพระสองฆ์องค์เจ้ า, จาไม่ว่าศรัทธาญาติโยมทุกระดับนั่นแนหะต่มีโอกาสควรจะฝึกสมาธิจิตใจให้เป็นสมาธิเมื่อจิตใจใเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรวันใจมีเบรกสรุปแล้ว ถามีเสมสมาทิสคือใจมีเปลกใจของเราจะไม่คิดออกนอกรูนอกทางจากนั้นเมื่อเราจิตใจของเราอยู่ในระดับนี้แล้วนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะไม่ใช่หยุดอันนี้คือรเรานํามาใช้กับทางโลกก็ได้คนที่มีสมาธิดีคนที่อยู่มีสติมั่นคงกับตัวเองเราจะไปยอยู่ณสถานที่ใด ไปสนทนาปารกเรื่องอะไรไปติดต่อเรื่องการงานอะไรสติของเราอยู่กับตัวของเราเราจะความเสียหายความเพียงพ้อมหรือเราได้เปียบหรือเราเสียเปียบ เ, เราจะรู้เพราะอะไรเพราะสติของเราปัญญาของเราอยู่กับตัวแต่ถ้าเรากินเหล้าไปคุยเขานะัา่นนะคนขาดสติเสียหายหมดเลยเขามีเท่าไหร่เขาต้มตุ๋นเราหมดเพราะอะไรเพราะเราขาดสติ คนขาดสติมากๆจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่คนมีสติอยู่กับตัวเองแล้วไปสนทนาพาทีกับใครเรื่องปรึกษาเรื่องอะไรก็จะมีประโยชน์ต่อพวกเราต่อหน้าที่การงานของพวกเราทุกอย่างเพราะฉนั้นเรื่องสมาธิพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามต้องฝึกพยายามฝึกฝนไว้ในตัวของพวกเราในวันหนึ่ง อย่างน้อยวันละหนาทีก็ยังดีเป็นการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเพื่อเป็นการฝึกเอาไว้เนะี่ยเมื่อมีเมื่อ ม, มีโอกาสก็ทําให้มากกว่านั้นเองแต่นี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเรื่องสมาธิแล้วยังมีขั้นต่อไปก็คือวิปัชนาเนะี่ยเรื่องวิปัชนานี่กว้างขวางนะทายาทโยมโลกลานต้องศึกษาจุดนี้ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําชี้นาชี้แนะจุดนี้ แต่เราอ่านหนังสือก็ใช่อ่านหนังสือก็เข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามาสนทนากับท่านถามท่านเรื่องวิปัสสนาธรรำยังไงเดินยังไงอันนี้เราจะชัดแจ้งชัดเจนในจิตใจของเรามั่นใจถ้าเราได้ถามไทยครูบาอาจารย์ได้ฟังกับปากท่านแล้วเรามั่นใจเพราะว่าเรื่อ ง, องวิปัสสนาแนวความคิดนะมันจะเฉือนไปทางไหน ถ้าไปในทางที่ผิดมันก็ผิดไปในทางที่ถูกมันก็ถูกใช้ความคิดตัวนี้เพราะนั้นปัญญาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าท่านให้สอนอยังไงท่านให้คิดยังไงปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญามิจฉาทิฏฐิท่านมันเป็นยังไงที่ท่านตำหนินะจุดนี้ก็คือต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ก็หลวงพ่อจันทยังหงันเสริญกรองยันออกไปทําธุระนะลูกหลานนะ อาต่อนี้ไปพัด ส, สงจะอนุโมทนาให้พรรับพร